จเจริญพรท่านพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธามีความเรื่องใสในพระพุทธศาสนาทุกๆ ท, ท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่15กรกฎาคมพุทธศักราช2550เป็นวันที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาทำบุญ มาสร้างกุศลมาพัฒนาชีวิตจิตใจของตนให้ดีขึ้นให้เจริญก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไปการมาวัดของท่านทั้งหลายก็มาอยู่สองลักษณะด้วยกันคือมาด้วยกำลังของตนเองไม่ต้องให้มีใครชวนมาและมาเพราะ มีคนอื่นชวนมาคนที่มาเองมาวัดเองได้ไม่ต้องให้ใครชวนก็เป็นเหมือนเรือที่มือเครื่องยนต์อยู่ในตัวสามารถวิ่งของมันไปเองได้ส่วนคนที่ต้องให้คนอื่นชวนมาก็เป็นเหมือนกับเรือพว่วงถ้าไม่มีเรือที่มีเครื่องยนต์พ่วงไปก็ไม่สามารถไปได้ทั้งนี้ทั้งนั้น เนื่องมาจากว่าคนเราแต่ละคนได้บาเพ็ญบุญบา ร, รมีมาไม่เท่ากันนั่นเองคนที่มีได้บาเพ็ญบุญบา ร, รมีมามากก็จะเหม็นเหมือนกับมีพลังอยู่ในตนเองพลังที่จะทำความดีเช่นพลังที่จะทำบุญให้ทาน<ม>ที่จะรักษาศีลที่จะฟังเทศน์ฟังธรรมที่จะปฏิบัติธรร ม, รรมคนเหล่านี้ เขาไม่ต้องให้คนสอนไม่ต้องให้คนชักจูงเขาสามารถทำได้ด้วยตัวของเขาเองเพราะเขาได้บงเพ็ญบา ร, รมีเหล่านี้มาแล้วในอดีตส่วนพวกที่ยังไม่สามารถทำบุญทำทานรักษาศีลฟังเทศฟังธรรมปฏิบัติธรรมได้ด้วยตนเองก็ต้องอาศัยผู้อื่นชัก ช, ชวนก่อนจึงเป็นเหมือนพวกเรือพว่วง แต่เมื่อได้ทําไปเรื่อยๆแล้วต่อไปก็จะกลายเป็นเรือที่มีเครื่องยนต์อยู่ในตัวพวกที่เป็นเรือพวกในเบื้องต้นจึงต้องอาศัยพวกที่มีเครื่องยนต์อยู่ในตัวเป็นผู้ฉุดลากพาไปแต่ก็ต้องระวังเพราะพวกที่มีเครื่องยนต์ฉุดลากพาไปนี้ mm. ก็มีอยู่สองพวกด้วยกัน mm. พวกที่จะลากไปสู่ การทำความดีความเจริญสู่ความสุขและพวกที่จะลากไปสู่การทำสิ่งที่เสื่อมเสียพาไปสู่ความทุกข์พาไปสู่ความหายนะได้พวกนี้ก็มีอยู่มีอยู่เหมือนกันพระพุทธเจ้าซึ่งทรงสอนให้เราคบบัณฑิตอย่าคบคนพาลบัณฑิตก็เป็นเหมือนกับ คนที่มีพลังในด้านของความดีย่อจะชวนเราพาเราให้ไปในทางที่ดีคนส่วนคนพาลก็เป็นพวกที่มีพลังในทางมไม่ดีพวกชอบเล่นการพนันเที่ยวกลงคืนเสพสุรายาเมาพวกนี้เป็นพวกคนพาลถ้าเราคบกับพวกนี้แล้วเขาก็จะไม่ชวนเรามาวัด ไม่ชวนเรามาทำบุญให้ทานไม่ชวนมาฟังเทศฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมมารักษาศีลแต่จะชวนเราเข้าบ่อนเข้าบาชวนเราไปตามสถานที่เริงร่ ม, ร ม, ร ม, รมต่างๆ <c oughs> ผลของการไปในสถานที่สองสองแห่งนี้ก็มีความแตกต่างกันมาวันแล้วก็จะทำให้จิตใจมีความร่มเย็นเป็นสุข มีความอิ่มเอิบใจมีการพัฒนาที่สูงขึ้นคือเป็นมนุษย์ถ้าเป็นมนุษย์ก็เป็นมนุษย์ที่ดีขึ้นมีความซื่อสัตย์สุจริตถ้าพัฒนาสูงขึ้นไปเรื่อยๆจิตใจก็จะกลายเป็นเทพเป็นพรหมเป็นพระอริยเจ้าไปในที่สุดถ้าไปกับพวกที่พาไปตามบาตามบ่อนก็จิตใจก็จะตกต่ำลงไปเรื่อยๆ จากมนุษย์ก็จะกลายเป็นเดรัจฉานเป็นเปรตเป็นสัตว์นรกไปเพราะเมื่อไปเกี่ยวข้องกับอาบาัยวะมุกแล้วไม่ช้าก็เร็วก็ต้องไปทำผิดศีลผิดธรรมไปลักทรัพย์ไปโกหกหลอกลวงไปฆ่าผู้อื่นเพื่อจะได้เอาทรัพย์ม า, าสนับสนุนการกระทา<ม>ของตนที่เกี่ยวกับอาบาัยมุกทั้งหลายนั่นเองเช่นเล่นการพนันแล้ว หมดเนื้อหมดตัวก็ต้องไปลักเล็กขโมยน้อยไปป้นไปจี้ไปฆ่าผู้อื่นเพื่อจะได้เอาเองินมาเล่นการพนันต่อหรือเอามาใช้หนี้พนันผลก็คือเมื่อทำไปแล้วก็ต้องถูกเจ้าหน้าที่ติดตามจับตัวเอามาลงโทษจับไปขังคุกขังตารางก็ไปตกนรกในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ และเมื่อตายไปก็ยังต้องไปตกนรกต่อเพราะจิตใจยังมีความทุกข์ยังมีความวุ่นวายใจอยู่นี่คือทางสองทางที่เราเลือกได้ว่าจะไปทางไหนสำหรับคนที่รู้แล้วเขาก็ไปของเขาเองได้คนที่มีปัญญาบรารมีเขารู้ผิดถูกดีชั่วเขาก็จะเลือกมาวัดแต่พวกที่ไม่รู้ หรือพวกที่ไม่มีพลังที่จะผลักดันตนเองให้ไปก็ต้องอาศัยคนดีอาศัยบัณฑิตเป็นผู้พาไปพระพุทธเจ้าจึงทรงตรัสสอนให้คบบัณฑิตอย่าคบคนผานถ้าอยากจะประสบกับความเจริญรุ่งเรืองความมีสริริความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตอยู่ตรงนี้อยู่ที่การเลือกคบคน เ ร, เราเลือกครบคนได้ไม่มีใครบังคับให้เราจะต้องครบคนนั้นครบคนนี้ยกเว้นในกรณีที่เราต้องทำงานร่วมกันเราก็ครบไปเพื่อไม่ให้เสียมารยาทเท่านั้นแต่เราจะไม่ให้เขาฉุดลากเราไปทำในสิ่งที่เป็นโทษกับเราไม่มีใครจะบังคับเราได้ในเรื่องราวเหล่านี้ เราสามารถบังคับตัวเราเองได้ถ้าเรารู้ว่ามันไม่ดีเราอยากไปทำเสียก็ไม่เป็นเราก็จะไม่เสียหายถ้าเรากลัวว่าเราจะเสียเพื่อนเราก็ควรจะเลือกระหว่างเสียเพื่อนกับเสียตัวว่าอันไหนมันจะมีคุณค่ากว่ากันเพื่อนเรากับตัวเราส่วนไหนจะมีคุณค่ากว่ากันเสียเพื่อนไปหาใหม่ได้เพื่อนมีเยอะแยะมีคนเป็นล้านแต่เสียตัวนี่ หาใหม่ไม่ได้เรามีตัวเราอยู่ตัวเดียวเท่านั้นเมื่อเราเสียตัวแล้วเราก็จะเสียคนเราก็จะมีแต่ความเสือ่อมเสียมีแต่ความทุกข์ <c oughs> ดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนให้รักษาตนให้ดีตนเป็นที่พึ่งของตนอัตตาหิตอัตโนนาโถแต่ก็ต้องพึ่งผู้ที่เก่งกว่าเราดีกว่าเราฉลาดกว่าเรา ส่งสอนว่าถ้าเราไม่สามารถหาคนที่เก่งกับเราฉล า, าดกับเราดีกับเราครบเป็นเพื่อนได้ก็อย่าไปคบกับใครดีกว่าให้อยู่ไปคนเดียวจะดีกว่าถ้าไปเลือกถ้าไปคบกับคนที่แย่กับเราเร็วก่าเราเขาก็จะฉุดลากให้เราลงไปสู่ที่ต่าเช่นเราไม่เสพสุรายาเมาไปคบกับคนเสพสุรายยาเมาเดี๋ยวเขาก็จะ ชวนเราไปเสพสุราไปคบกับคนเล่นการพนันเขาก็จะชวนเราไปเล่นการพนันไปคบกับคนที่ชอบเที่ยวกลางคืนเขาก็จะชวนเราไปเที่ยวกลางคืนไปคบกับคนที่มีความเกลียดคร้านเขาก็จะชวนให้เรามีความเกลียดคร้าไปด้วย <c oughs> แทนที่จะขยันทามาหากินขยันไปโรงเรียนก็ชวนกันหนีโรงเรียนชวนกันหนีงานไปทำอย่างอื่น แล้วผลต่อไปก็คือจะมีแต่ความเสื่อมเสียตามมาไม่มีทางที่จะเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองได้ดังนั้นเราจึงควรหาบัณฑิตหาคนดีหาคนที่ฉลาดกับเราไว้เป็นเพื่อนไว้เป็นเป็นเป็นคนที่เราเกี่ยวข้องด้วยถ้าเราหาคนที่มีชีวิตยอยู่ที่เก่งที่ดีที่ฉลาดไม่ได้ ก็ให้ยึดเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไว้แทนก็ได้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แม้นท่านจะผ่านไปแล้วตายไปแล้วแต่คำสอนของท่านยังอยู่คำสอนนี่แหละคือตัวแทนของท่านถ้าเราศึกษาคำสอนแล้วเรานำเอามาประพฤติปฏิบัติเราก็จะมีเพื่อนที่ดีเพราะว่าเพื่อนที่ดีที่แท้จริงนั้น จะต้องอยู่ในใจเราเพื่อนที่ดีภายนอกนั้นเขาเพียงแต่สอนบอกเราได้แต่เวลาที่เราไม่ได้อยู่กับเขาเราก็จะขาดเพื่อนแต่ถ้าเรามีคำสอนที่ดีอยู่ในจิตในใจไว้เตือนสติอยู่เสมอเช่น <c oughs> สอนให้เรารักษาศีลไม่ให้ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตรักทรัพย์ประพฤติผิดตดยนิย พูดปลดมดเทศเศสพสรายาเมาถ้ามีคำสอนนี้อยู่ในใจของเราเวลาที่เราจะไปทำผิดศีลก็จะมีเสียงนี้มากระซิบมาเตือนมาห้ามเราว่าทำไม่ทบาปไม่ได้ทำบาปแล้วมีแต่จะเสียหาย <c oughs> ให้ทำความดีให้รักษาความดีแม้จะต้องเสียชีวิตเพื่อรักษาความดีก็ให ยอมเสียไปเพราะชีวิตนี้ไม่มีคุณค่าเท่ากับความดีมีชีวิตอยู่กับความชั่วอยู่ไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรมีแต่ความทุกข์มีแต่ความเสื่อมเสียสู้อยู่กับความดีรักษาความดีแล้วตายไปยังจะดีกว่าเพราะว่าเวลาตายไปนั้นตายเพียงครึ่งเดียวเท่านั้นคือร่างกายแต่ตัวตนที่แท้จริง คือใจนี้ไม่ได้ตายใจนี้จะดีและไปเกิดดีกว่าเดิมนี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นจึงได้นํามามาสั่งสอนพวกเราพวกเรานี้ยังมองไม่เห็นกันเราเห็นเพียงครึ่งเดียวของชีวิตเราก็คือเห็นร่างกายของเราแต่เราไม่เห็นจิตใจของเราเราไม่รู้ว่าจิตใจนี้เป็นอย่างไรแต่ถ้าเราไม่มีจิตใจ เราก็เป็นเหมือนคนตายคนตายนี้เป็นร่างกายที่ไม่มีจิตใจอยู่แล้วเวลาไปคุยกับคนตายคนตายจะไม่รู้ไม่รับรู้อะไรทั้งสิ้นเพราะผู้รับรู้คือใจไม่ได้อยู่กับร่างกายแล้วนั่นเองแต่เรามองไม่เห็นใจมีแต่ผู้ที่ปฏิบัติธรรมชื่นพระพุทธเจ้าและพระอหรหันตสาวกทั้งหลายเท่านั้นที่จะมีดวงตาเห็นธรรม มีตาทิพย์ที่จะสามารถเห็นกายทิพย์ของเราได้ก็คือใจของเรากายทิพย์ของเราหรือใจของเรนี้ไม่ตายไปกับกายอยาคือร่างกายเมื่อร่างกายแตกดับไปแล้วกายทิพย์ของเราก็ไปต่อจะไปสูงไปต่ำก็ขึ้นอยู่กับบาปบุญที่เราทำไว้ถ้าเราทำบาปกายของเราเราก็จะไปสู่ที่ต่ำไปเกิดในอบาย ไปเป็นเดราฉานบ้างไปเป็นเปรตบ้างไปตกนรกบ้างถ้าเราทำบุญทมกุศลรักษาศีลประพฤติปฏิบัติธรรมกายทิพย์ของเราก็จะไปเกิดเป็นเทพบ้างเป็นพรหมบ้างเป็นพระอริยเจ้าบ้างไปสู่พระนิพพานบ้างนี่คือที่ไปของกายทิพย์ของใจทิพย์ของกายทิพย์ของเราคือใจของเราใจของเรานี้เป็นสิ่งที่ไม่เกิดและไม่ดับ ทำอย่างไรมันก็ไม่ดับเอาระเบิดนิวเคลียร์ไปใส่มันมันก็ไม่สลายหายไปได้เพราะฉะนั้นผู้ที่รู้แล้วจึงไม่กลัวตายเพราะผู้ที่กลัวตายไม่ได้ตายนั่นเองส่วนผู้ที่ตายคือร่างกายมันก็ไม่รู้เรื่องอะไรร่างกายก็เป็นเหมือนกับเสาต้นหนึ่งต้นไม้ต้นหนึ่ ง, นนงเอามีดไปฟันเอาเอาค้อนไปทุบมันมันไม่รู้เรื่องอะไรทั้งสิ้น แต่ใจต่างหากที่เป็นผู้รู้เมื่อมาเกี่ยวข้องกับร่างกายแล้วมีความหลงว่าร่างกายเป็นตนเป็นใจขึ้นมามันก็เลยเกิดความวิตกกังวลขึ้นมาทันทีเวลาร่างกายเป็นอะไรมันจะเกิดความตกใจกลัวผู้ที่ตกใจกลัวไม่ใช่ร่างกายผู้ที่ตกใจกลัวนี้ก็คือใจนี้เองทงั้งๆที่ใจนี้ไม่ได้เป็นอะไรไปเลย เหมือนกับเราดูภาพยนตร์ดูดูหนังผีอย่างนี้เป็นต้นบางท่ที่มันเป็นภาพยนตร์อยู่บนจอภาพเฉยๆใจเรายังไปกลัวมันได้เลยเพราะใจเรามันไม่ฉลาดใจเรามันมีแต่ความหลงมีความมืดบอดครอบงำเราจึงกลัวไปหมดเห็นอะไรก็กลัวไปหมดถ้าเราได้ยินได้ฟังพระธรรมคำําสอนแล้วเราได้ปฏิบัติจนเราสามารถแยกใจออกจากกายได้แล้ว เราจะไม่หวั่นไหวกับอะไรทั้งสิ้นเราจะรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เหมือนกับดูหนังดูละครใจเป็นเพียงผู้ดูเท่านั้นเองส่วนกายเป็นผู้แสดงเวลาได้อะไรมาแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องหมดไปแม้แต่ร่างกายนี้ไม่ช้าก็เร็วมันก็ต้องจากไปต้องหมดไปแต่ใจนี้ไม่หมดตามร่างกายไม่ได้หมดไปกับอะไรทั้งสิ้นถ้าใจฉลาดใจรู้ ใจก็จะไม่หลงเมื่อไม่หลงแล้วก็จะไม่ทุกข์ไม่วุ่นวายกับการมาการไปของสิ่งต่างๆและจะไม่อยากจะไปมีอะไรอีกต่อไปเพราะได้อะไรมาก็ต้องเสียมันไปในที่สุดอย่างาอย่างตอนที่เราเกิดมามาเกิดเราก็ไม่ได้มีอะไรติดตัวมาเลยมาเกิดก็มาได้ร่างกายได้ร่างกายแล้วก็พอโตขึ้นก็ได้ เข้าของเงินทองต่างๆได้สามีได้ภรรยาได้ลูกแล้วพอแก่ตายไปก็ต้องไปคนเดียวทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างไว้ผู้ที่ฉลาผู้ที่ได้ประพฤติปฏิบัติธรรมจนมีดวงตาเห็นธรรมแล้วจะเบื่อหน่ายกับสิ่งเหล่านี้จะเบื่อหน่ายกับการเกิดเพราะเมื่อเกิดแล้วจะต้องมีการแก่มีการเจ็บมีการตายตามมา มีการพัดพากจากกันตามมาเมื่อเกิดความเบื่อหน่ายก็จะไม่ยินดีที่จะไปเกิดอีกต่อไปเมื่อไม่เกิดก็ไม่ต้องไปแก่ไปเจ็บไปตายต่อไปนี่คือใจของพระพุทธเจ้าและใจของพระ อ, อรหันต์ท่านเป็นอย่างนี้แต่ใจของท่านไม่ได้สูญหายไปไหนไม่ได้หมายความว่าถ้าไม่ได้ไปเกิดแล้วจะสูญหายไปไหนใจของท่านก็ยังอยู่เหมือนเดิม เพียงแต่ว่าไม่ต้องไปแบกภาระของการเกิดแก่เจ็บตายไม่ต้องไปแบกความทุกข์ต่างๆที่ตามมาจากการเกิดแก่เจ็บตายต่อไปท่านจึงอยู่อย่างบรลมสุขประมังสุขขัง uh huh. เพราะท่านเห็นแล้วว่าการที่จะไม่มีทุกข์ได้นั้นจะต้องไม่เกิดโดยถ่ายเดียวจรกบใดที่ยังมีการเกิดอยู่จรกบนั้นยังต้องมีความทุกข์อยู่ ท่านจึงทรงตัดสอนเราว่าทุกย่อมมีกับผู้ไม่เกิดเท่านั้นถ้าตาบใดเรายังเกิดกันอยู่เราก็ยังจะต้องมาทุกข์กันอยู่อย่างที่เราเป็นอยู่อย่างนี้แต่ถ้าเราทำความดีไปเรื่อยๆถึงแม้เรายังไม่ได้ไปถึงที่สิ้นสุดแห่งการเวียนว่ายตายเกิดอย่างน้อยการเกิดของเราในแต่ละภพแต่ละชาติ<ม>ก็จะมีความทุกข์น้อยลงไปเรื่อยๆ เพราะเราจะมีปัญญาคอยสอนเราไม่ให้ไปหลงยึดติดกับสิ่งต่างๆมากจนเกินไปถ้ามีปัญญามากเท่าไหร่ก็จะปล่อยวางได้มากเท่านั้นถ้ามีปัญญาเต็มที่เลยก็จะปล่อยวางได้หมดดังนั้นขอให้เราจงเชื่อในสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนพระพุทธเจ้าเป็นบัณฑิตขอให้เราครบกับพระพุทธเจ้าคบกับพระอริยสงสาวก แล้วดำเนินชีวิตตามตามแบบของท่านพระพุทธเจ้าพระ อ, อริยสงสาวงท่านอยู่อย่างไรท่านอยู่อย่างส ม, มถาัเรียบง่ายท่านไม่แสวงหาสิ่งต่างๆในโลกนี้มาเป็นสมบัติเพราะท่านเห็นแล้วด้วยปัญญาว่ามันเป็นความทุกข์มากกว่าเป็นความสุขได้อะไรมาแล้วก็ต้องทุกข์กับสิ่งที่ได้มาเวลาได้มาก็ มีความหวงมีความหวงมีความเสียดายเวลาที่จะต้องจากกันถ้าไม่มีก็ไม่ไม่เดือดร้อนอะไรอยู่ได้คนเราสิ่งที่จำเป็นต่อการดำรงชีพก็มีไม่มากมีเพียงปัจจัยสี่เท่านั้นคืออาหารที่อยู่อาศัยยารักษาโรคเครื่องนุ่งหงมงหงแล้ววเรราก็คที่จ หยุดได้แล้วอย่าไปหามามากไปกว่านี้เพราะเท่ากับการหาความทุกข์เข้ามาใส่ตัวเองนั่นเองหรือหาเหงื่อมาใส่หัวถ้าเราอยู่เฉยๆแบบพระพุทธเจ้าอยู่แบบพระอริยสงสารโลกได้เราจะมีความสุขมากๆถ้าเรายังทำไม่ได้ก็เราต้องเริ่มต้นฝึกต้องทำพยายามตัดลดละสิ่งต่างๆที่ไม่จำเป็นต่อการดำรงชีพ ให้ออกไปเช่นของฟุ่มเฟือยต่างๆอย่าไปอย่าไปหลงละเลยกับเรื่องของฟุ่มเฟือยมันไม่ได้ทําให้เรามีความสุขมากขึ้นแต่มันจะเป็นตัวที่กดดันให้เรามีความทุกข์มากขึ้นเพราะเมื่อเราเคยใช้ของฟุ่มเฟือยแล้วก็จะติดเป็นนิสัยเราก็จะต้องหาเงินมาซื้ออยู่เรื่อยๆซื้ออยู่เรื่อยๆถ้าไม่มีเงินพอก็จะเกิดความทุกข์เกิดความวุ่นวายใจตามมา แต่ถ้าเราอยู่อย่างเรียบง่ายอยู่อย่างส ม, มถะเราจะไม่มีอะไรมาคอยกดดันให้เราต้องไปวิ่นวนหาเงินหาทองและเราจะมีเวลาที่จะมาพัฒนาจิตใจมาพัฒนาความสุขที่แท้จริงที่มีอยู่ในใจของเราเราจะมีเวลามาวัดกันมากขึ้นแทนที่จะมากันอาทิตย์ละครั้งหนึ่งเราก็อาจจะมาได้หลายครั้ง หรืออาจจะมาอยู่วัดเป็นเวลาหลายหลายวันก็ได้เพราะเราไม่ต้องไปทํางานทางการมากจนมากเหมือนเมื่อก่อนนั้นนั่นเองเพราะเราพอมีพอกินแล้วเราพอเลี้ยงปากเลี้ยงท้องลราแล้วเราพอมีเงินสะสมดูแลเราได้แล้วเรื่องอะไรที่เราจะต้องไปไปวุ่นวายกับการหาเงินหาทองไาอีกหามาได้มากไปกว่า ความจำเป็นมันก็ไม่ได้ทำให้มีความสุขมากขึ้นไปความจำเป็นมันมีมันมีความจำเป็นก็ต้องมีเท่านั้นเองเพื่อเพื่อดับความทุกข์เพราะถ้าเราขาดสิ่งที่จำเป็นแล้วเดี๋ยวปัญหาคือความทุกข์ก็จะตามมาเช่นร่างกายขาดอาหารก็จะเจ็บไข้ได้ป่วยไม่มีเสื้อผ้าใส่ก็จะต้องเจ็บไข้ได้ป่วยไม่มียารักษาโรคก็อาจจะตายได้ แต่ถ้าเรามีสิ่งเหล่านี้พอเพียงแล้วอย่าไปหาสิ่งอื่นเลยไม่เกิดประโยชน์มีแต่จะสร้างความทุกข์สร้างความวุ่นวายใจให้กับเราให้เราหันมาหาบุญบารมีกันดีกว่าเพราะบุญบารมีนี้เป็นเหตุที่จะทําให้เรามีความสุขใจมีความอิ่มใจที่จะทําให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์จากความวุ่นวายใจได้ พระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกท่านจึงดำเนินชีวิตแบบนั้นเพราะท่านพบทางที่ถูกแล้วนั่นเองทางที่ประเสริฐทางที่จะนำไปสู่ความสุขที่แท้จริงไม่มีทางอื่นมีทางนี้ทางเดียวเท่านั้นถ้าไม่เช่นนั้นแล้วก็คงจะมีคนอื่นมาสอนเราให้ไปทางอื่นกันแต่ไม่มีมีทางนี้เท่านั้นที่เป็นทางที่ดีที่สุดเป็นทางที่จะนำเราไปสู่ความสุข ตลอดอนันตการปามังสุขขังก็แปลว่าเป็นความสุขที่ไม่มีวันเสื่อมคลายเป็นความสุขที่ไม่มีที่สิ้นสุดความสุขต่างๆที่เรามีอยู่ในโลกนี้มันยังมีที่สิ้นสุดเวลาเราได้อะไรมาใหม่ๆเราก็ดี อ, อกดีใจมีความสุขพอหลังจากนั้นไปแล้วมันก็กลายเป็นความกังวลขึ้นมาถ้าเราได้อะไรที่เรารักเราชอบเราก็หวงเราก็หวง เราก็กังวลกลัวว่ามันจะจากเราไปกลัวว่ามันจะสูญหายไปนี่แหละคือความสุขทางโลกเป็นอย่างนี้เป็นเหมือนกับยาขมเครือบน้ำตาลเวลาอมก็ไปใหม่ๆก็หวานดีพอน้ำตาลหายไปหมดแล้วก็เหลือแต่ความขมขื่นชีวิตของพวกเราก็เป็นอย่างนี้เวลาอยู่คนเดียวก็รู้สึกง่อยเหงา ก็อยากจะมีคู่ครองอยากจะมีสามีมีภรรยาพอได้พบกับคู่ครองใหม่ๆก็ดีอกดีใจมีความสุขพอได้ร่วมอยูร่ร่วมกันใหม่ๆก็มีความสุขแต่พอผ่านไปสักระยะหนึ่งแล้วความสุขนั้นก็ผ่านไปหมดไปกลายเป็นความเคยชินขึ้นมาแล้วถ้าเกิดมีการขัดใจกันมีการทะเลาะเบาแวงกัน ก็จะเกิดความเสียใจเกิดความไม่สบายใจตามมาหรือถ้าเกิดอุบัติเหตุที่จะต้องจากกันอย่างกะทันหันก็จะต้องมาร้องห่มร้องไห้เศร้าสุขเสียใจอีกนี่คือธรรมชาติของความสุขในโลกนี้เป็นอย่างนี้พระพุทธเจ้าก็มีความสุขเหล่านี้มาก่อนทรงเป็นพระราชกุมารอยู่ในวังมีความสุขต่างๆบำรงบำเรออยู่เป็นจานวนมาก แต่พระพุทธเจ้าเป็นคนตาดีเป็นคนฉลาดเป็นคนมีปัญญาไม่หลงละเลงกับความสุขที่มีความทุกข์ตามมาความสุขที่เป็นเหมือนกับยาขมเคือบน้ำตาลพระพุทธองค์จึงกล้าสละตัดความสุขเหล่านี้แล้วออกบวชแล้วไปหาความสุขแบบน้าตาลไ ป, ไ ป, ไ, ป, ไ, ปไปหาความสุขแบบน้าตาลเคลือบยาขม ยอมทุกยอมลําบากก่อนแล้วสุขทีหลังนั่นคือวิถีของนักป่าเป็นอย่างนั้นยอมทรมานตนอดข้าวอดอาหารอยู่ในที่ลําบากกันดารอยู่ตามมีตามเกิดไม่ได้ไม่ได้สนใจกับเรื่องการอยู่การกินมากจนเกินไปสนใจอย่างเดียวเท่านั้นคือทําอย่างไรที่จะกําจัดความโลภความโกรธความหลงให้หมดไปจากจิตจากใจได้ เพราะมันเป็นตัวการที่สร้างความทุกข์สร้างความวุ่นวายใจให้กับสัตว์โลกทั้งหลายไม่รู้จักจบจากสิ้นนี่คือตัวการสําคัญที่จะต้องกําจัดให้ได้นั่นแหละทํา จ, จึงทาทำจึงทำให้พวกเราทุกคนลําบากเวลาที่เราจะต่อสู้กับความโลภความโกรธความหลงเพราะไม่มีใครอยากจะสู้กับมันอยากจะเป็นพวกเดียวกับมันเวลามันชวนให้เราโลภ ก, ก็ชอบโลภตาม เวลาชวนให้เราโกรธเราก็ชอบโกรธตามเวลาชวนให้เราหลงเราก็ชอบหลงตามแต่ผลที่เกิดจากการโลภโกรธหลงตามกิเลสแล้วเป็นอย่างไรก็มีแต่ความทุกข์มีแต่ความวุ่นวายใจตามมาแต่ถ้าเราต่อสู้กับมันถึงแม้มันจะลําบากลำบนยากเย็นแต่เวลาที่เราชนะมันแล้วเราจะสบาย เราจะไม่มีอะไรมาก่อควรจิตใจของเราอีกต่อไปเช่นเราเคยสูบบุหรี่แล้วเราอยากจะเลิกสูบบุหรี่ทุกครั้งเวลาที่เราอยากสูบเราไม่สูบก็เท่ากับเป็นการต่อสู้กับกิเลสของเราต่อต้นเราก็จะรู้สึกปวดอัดรู้สึก ท, ทรมานใจเพราะอยากสูบเหลือเกินเพราะเคยสูบอยู่เรื่อยๆแต่ถ้าเราสู้กับมันได้ชนะมันได้ต่อไป มันก็จะไม่สามารถมาบังคับให้เราไปสู่บุหรีได้อีกเราก็จะเป็นผู้หลุดพ้นจากการเป็นทาตของบุหรี่แต่ถ้าเราไม่สู้มันทุกครั้งที่อยากจะสู่เราก็ต้องสู่เราก็จะสู่ไปเรื่อยๆและจะสู่มากขึ้นไปเรื่อยๆจากสองก็เป็นสองสองจากสองสองก็เป็น3าสองแล้วไม่ช้าก็เร็วปอดก็จะเสียหาย จะต้องตายไปก่อนวัยที่ควรเพราะว่าเราอ่อนแอเราไม่มีกําลังที่จะต่อสู้กับกิเลสคือความโลภความโกรธของเรานั่นเองเพราะเราอยากเราต้องการความสุขจากความโลภต้องการความสุขจากความโกรธความหลงแต่เราไม่คิดว่ามันเป็นเหมือนความสุขที่เคลือบอยากของขมไว้ พอความสุขนี้หมดไปก็มีแต่ความทุกข์เราทำไมไม่เอาตัวอย่างแบบพระพุทธเจ้าเอาความสุขแบบมีความความทุกข์ยากเคลือบไว้ก่อนการที่เราจะพบกับความสุขที่ที่หลุดพ้นจากกิเลสได้นี้จะต้องทุกข์ลำบากจะต้องต่อสู้กับกิเลสด้วยวิธีการต่างๆอย่างพระพุทธเจ้าและพระอริยสงสาวกทั้งหลาย ท่านตั้งออกไปอยู่ในป่าในเขาอยู่แบบลำบากลำบนตามมีตามเกิดกินก็กินแบบตามมีตามเกิดแล้วก็ไม่ได้กินมากมายด้วยกินวันละมื้อเท่านั้นเองพระทุดงที่ออกป่านี้ส่วนใหญ่เช่นจะถือข้อทุดงวัดคือฉันในบาทฉันมื้อเดียวออกบินทบาทไม่มีใครจะเอาขับข้าวกับปลามาถวายถึงกุฏิถึงที่พักจะต้องเดิน ไปบินตะบะในหมู่บ้านได้อาหารอะไรมาก็รับประทานไปตามที่ได้มาไม่โทรศัพท์สั่งให้ร้านส่งอาหารชนิดนั้นชนิดนี้มาบำรุงบำเรอเพราะไม่ใช่วิถีทางสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์นั่นเองนี่คือเรื่องของความความสุขและความทุกข์ขอให้เราเลือกเอาความสุขที่ตามมาตา ม, ตามความทุกข ดีกว่าเอาความทุกข์ที่ตามความสุขเพราะเวลาความทุกข์ตามความสุขแล้วพอความสุขหมดไปแล้วก็จะมีแต่ความทุกข์ส่วนความสุขที่ตามความทุกข์นี้พอความทุกข์หมดไปก็จะเหลือแต่ความสุขและจะสุขไปตลอดไม่มีที่สิ้นสุดอย่างพวกเรามันก็จะต้องทุกข์ไปตลอดไม่มีที่สิ้นสุดเหมือนกันถ้าเราเลือกเอาความสุขที่ตามมาด้วยความทุกข์ นี่คือทางเลือกของพวกเราเราจะไปทางบัณฑิตก็ได้หรือจะไปทางคนผ่านก็ได้เราจะเป็นทางเราจะไปทางไหนเราก็ควรที่จะคิดให้ดีคิดถึงผลที่จะตามมาอยากจะเป็นเหมือนพระพุทธเจ้าและพระอาหารหันต์สาวกหรืออยากจะเป็นเหมือนพวกที่เราพวกเราที่เป็นอยู่อย่างนี้ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดไม่รู้จักจบจากสิ้นจึงขอให้ท่านทั้งหลายจง นำในสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิษพิจารณาและปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติดไว้เพียงเท่านี้ขอคุณทศล ะ, ะียรัตนใจและบุญกุศลที่ท่านได้มากระทำกันในวันนี้จงปกป้องคุ้มครองรักษาให้แพ้วคล้าอปอดภัย มีแต่ความสุขและความเจริญด้วยอายุวันลนะสุขภลระโดยทั่วหน้ากันเธอ